กับขอโอกาสเราถวายเคารพยังอาจารย์เพชรจารย์วิจารโรว่าเป็นประธานกับขอโอกาสเพื่อนจะทำมิรที่เรบทุกทุกโลกเจริญพรเจริญธรรมายัางคุณแม่เช่แล้ว่าน้อไปรดทำทุกทุกท่านจากนี้เราก็ตื่นมาทาวัดจัดมน ชาวันจันทร์ที่ยสี่เดือนกันยายนตรงพันห้าร้อยห้าสิบห้าเมื่อคืนเก้าค่ำเดือนสิบปีมาโรงเราก็ตรวดมงกลนสูตรก็เป็นสูตรเป็นพระสูตรที่ราน้อ ม, มาติวจแล้วก็เกิด บงคนเกิดความเจวันลุ้งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมประศุสูตรแรกธรรมจักกะปวะสูตรจะทําให้เกิดเหล่าอริยสงขึ้นมาธรรมจักกหมุนสูตรต่างๆก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่ เกิดการเมธรรมในเอพระเจาบกแล้วอีกมากมายก็ให้เหมาะกัรสถานที่กับบุคคลกาลเทศะต่างๆจรตนิณใส่บางทีการเมธรรมแปล ว, ว่าจิตภาวนาการฝึกสติฐานสี่ทมก็ไม่ได้ถอเยก็ไม่ได้ นะเชื่อทำดีชำระจิตชำระจิตอยู่ตสติฐ า, านสี่อยู่มีความเพียนอยู่แต่ว่ากายามิตรหรือว่าวิธีของจิตที่จะเดินต่อไปมันมันหยุดอันนี้ก็ต้องใช้บุลสูตรลบฐานลงมาทำดีให้ถึงพร้อม แล้วนานดีก็หมายถึงงานที่เกิดความงามเป็นประโยชน์ตอนประโยชน์เต้นอันนี้ประการหนึ่งอีประการหนึ่งก็คือลักษณะของเมื่อเป็นวัรทำดีแล้วไม่ทำให้จิตของตนเองเป็นทุกข์ก็จะอยู่ตามเหตุตามปัจจัย มีสิ่งที่ต้องทําก็ทําตามเหตุตามปัจจัยทําแล้วก็แล้วไปทําทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้ทําอะไรทํางานทั้งวันแต่ว่าไม่ได้ผลงานของเราอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่ไปวันวันนะฮะตั้งเช้ายันมืดแป๊บแป๊บก็หมดวันแป๊บแป๊บก็หมดวันอันนี้ค็อประการหนึ่งแล้วการปฏิบัติธรรม เราจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนึ่งสองสามหน้าที่ตามสมมติต่างๆที่บัญญัติเอาไว้ในโลกใบนี้อีกอันนึงก็คือเกี่ยวข้องกับจิตใจสภาพรูต้ตามนามธรรมทั้งเป็นภายในโดยเฉพาะการที่สัมผัสรู้ รูปต่ำนามต่ำที่เกิดจากสภาวะผูปป้ดูระนาดของตติปัญญาที่มองและเห็นและเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นอันนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อมเกียนที่ท่านได้สรุปเอาไว้เห็นเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรมันเป็นสภาวะที่ทําให้เราเกิดการขยายผลออกไป ถ้าสัพพ ส, สัตสัพสิ่งคิดก็คิดด้วยเมตตาพูดก็พูดด้เมตตาทำลงไปก็ทำด้วยเมตตาปรารถนากับสัพพ ส, สัต ส, สัพสิ่งให้เกิดสันติสุขสันติภาพต่อไปเพราะนั้นสติปัญญาที่พาไปนะหรือว่าสติปัญญาที่พาคิดพาพูดพาทำสติปัญญานะที่มันระลึรกรู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปนุติธรรมานุติสังขารนุสติรู้ถึงความดีต่างๆความถูกต้องต่างๆความงามต่างๆเราถึงหน้าร่างกายของเราที่เป็นจริงวตัตถุรูปธรรมยึดมาเป็นความงามความสวยหรือว่ายึดมาเป็นตัวเราของเราเราถึงคุณของประนิพันธ์ ก็เป็นอาการของสติปัญญาที่ทำหน้าที่ได้อย่างตรงและถูกต้องตามกฎของธรรมาชาติแล้วก็เลยมาสนใจกันเฉพาะเรื่องของนามธรรมเรื่องของจิตของใจเราเกี่ยวข้องกับรูปธรรมก็คือการดำรงชีวิตปัจจัย4 5 6 7 8ต่อไป <c oughs> การทำงาน <c oughs> การทำงาน ว่าการเรียนรู้ที่เป็นวิชาการต่างๆก็ต้องรู้ให้จริงแล้วก็กจานเฉพาะเรื่องชั่เรื่องการทำงานก็จึงเป็นการทางานที่มีความสมบูรณ์เกิดความถูกต้องขึ้นมาต่อไปไม่เป็นอคุจศนก็ะจะมีการเรียนรู้วิชาการต่างๆมากมายตั้งแต่ระดับอนุบาลปฐมมัธยม ว่าอาจีวศึกษาอุดมศึกษาเรามีแต่ละขั้นแต่ละตอนจะต้องเป็นศาสตาจารย์หรือว่าปรมาจารย์เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบางทีกลายเป็นเรื่องของมัตุนิยมบริโภทนิยมก็มีเหมือนกันแล้วกลายเป็นเรื่องของการหาเงินห า, า, นหาทองหาทรัพย์ต่างๆ ธนบัตรคือเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายสติประฐานอันนี้เป็นอนรยสภายในที่สามารถชำระหนี้กรรมได้ตามกฎของธรรมชาติมันเป็นกฎของธรรมชาติกฎของกรรมที่ทุกคนคิดพูดทำลงไปแล้วเกิดกรรมต่างๆมากมายเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมกุศลกรรมอกุศลกรรม หลังจากคิดทำพูดทำลงมือก็ะทำลงไปครบจะเกิดลักษณะของการปริทับลงไปในจิตแต่ละขณะนะคิดดีก็ทับดีลงไปเรียกว่าบัญชีแผ่นทองคําคิดไม่ดีก็ทับลงไปเรียกว่าบัญชีหนังมาเน่าอันนี้เราก็รู้เราเรารู้เราเพราะว่าสิ่งที่คิดที่พูดที่ทําำ มันเป็นเรื่องของเราเพราะนั้นการคิด จ, จะพูดจะทำอะไรลงไปเป็นมงคลเป็นอัปมงคลต่างๆมันจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับกรรมต่อไปเมื่อคืนมีคนป่วยเข้าห้องไอ u พยาบาลที่โรงพยาบาลสุรินทร์ตัวมาแล้วก็บอกว่าอาจารย์คนใกล้เขาหมอจะถอดออกซิเจนแล้วก็ ตอนนี้หายใจติดขัดให้อาจารย์พูดให้คนไข้ฟังหน่อยเขาชื่อแวนดีเป็นพยาบาลที่กเกษียณมาห้าปีแล้วก็เกิดการติดเชื้อตอนนี้แขนเชื้อก็กัดลงไปจนทั้งถึงเอ็นถึงกระดูก ก็ถือว่าทรมานหมอก็ไม่ได้ให้ยาบำบัดยาแก้ปวดหรือว่าจีดหมอฟีลงไปก็าอาจารย์ช่วยหน่อยคนไข้มีสภาพที่นิ่งก็เลยโทรศัพท์คุยกับผู้ป่วยซึ่งมีสภาพรับดูได้แต่ว่าโต้อตอบไม่ได้ก็บอกเขาว่า นี่พระอาจารย์ทรงศิลปาสูโตนะกำลังพูดอยู่าพระาว่าโยมตอนนี้กําลังนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลสบายแล้วนะยมนะสบายเป็นโอกาสของเราที่ต้องพักผ่อนแล้วร่างกายของเราก็ให้หมอพยาบาลก็ดูแลเราใช้คบันนานแล้วก็ให้พักซะจิตใจของเราก็ ปล่อยๆวางๆไปเลยสบายเป็นปกติถ้าจะคิดถึงก็เรื่องดีๆงามๆที่เราเคยทำไว้นะยมนะทำบุญตักบาตรให้พระสงค์คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราสบายใจนะลูกหลานที่เราดูแลมานะรับราช ก, การมีความสำเร็จถือว่าสมบูรณ์ที่สุดละกับการทำหน้าที่ ตอนนี้เดี๋พักผ่อนนะเหนื่อยมากก็พักสักหน่อยหนึ่งสบายแล้วสบายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาตมาเป็นพระแตมีความดีความงามมีบุญอยู่ก็ยกให้โยมคนเดียวเลยถ้ายกให้ได้ก็มอบให้โยมเลยนให้เป็นอนิสงส์ของโยมด้วยนกระพรูดแล้วก็ให้ศียนให้พรนไปหลังจากนั้น ก็สอบถามจากพยาบาลก็ว่าเขามีปฏิยาตอบรับอย่างไรบ้างพยาบาลที่โทรมาก็ตอบว่ามีปฏิยากระตุกสั่นแล้วก็ขยับขาบอกให้รู้ว่าเคลื่อนไหวมีการตอบรับอยู่ข้างในอยู่แล้วแล้วก็น้าตาก็ไหลออกมาซึ่ง เรื่องที่พูดก็ยาวว่า น, นี้นะยาวกนะว่าที่เราให้ฟังก็คือพยายามปลุกความดีที่มีอยู่ในจิตใจร่องรอยบุญถ้ามีเยอะให้ปลากดออกมาถ้าตนเองยังไม่ได้ทําบุญถ้าเรามีบุญล้วก็พยายามพูดสร้างภาพให้เกิดเป็นอคภาพภายในจิตใจก็จะได้มีกําลังใจต่อสู้หรือว่าสามารถที่จะประคับประคองใจไม่ให้ทุกได้ อันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็ต้องเตือนเราเราก็ต้องบอกเราบางทีเอาชีวิตไม่ค่อยเป็นปากไแขวนไว้กับผู้อื่นกับลมหายใจกับร่างกายของเราโดยการติดยิดความดีความงามต่างๆบางทีก็จะทําให้เราเหมันก็วเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปติดดีก็เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมติดไม่ดีอัจฉริยะก็เป็นสรนนลบอสุรกายเป็นเปรต เป็นอาสารต่อไปเราก็จึงเนาาี่ยมาเรียนรู้สภาพธรรมต่างๆที่ปรากฏไปในจิตใจของเราเราก็จึงมีการเตรียมเช่นจิตใจของเราต้องปกติ เ, เตรียมใจไว้ให้มีศีลมีปาติโมข์ซึ่งทำให้เราเหมือนกับว่ายางม่กรอบที่จะทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยานต่อมาก็คือ ให้เรามีการสํารวมตาหูจมูกมือกลไกใจสํารวมไม่ดูได้ก็ไม่ดูไม่ฟังได้ก็ไม่ฟังเพราะว่ารูปรดกลิ่นเสียงมันมีพลังต่างเราไม่รู้สึกตัวรูปรดกลิ่นเสียงเหล่านั้นก็จะชวนให้เราหลงไหลไปลักษณะของการปลุกเร้ากระตบสัมผัสึเป็นอารมณ์รุนแรงเป็นวัตถุกรรมคุณจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินมันินี้ สาขาตาราคาต่างๆมันจะเกิดขึ้นมาทำํำไมเราหลงไหลเรายังต้องกลับมารู้เนื้อรู้ตัวรู้การสัมผัสตา่างๆาหูจมูกลิ้นกายใจของเราทตกครั้งที่มีการกระทบกระเทือนขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ตรงนี้มันมีสภาพตันที่เรียกว่าสภาวะปกติของจิตตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบเทียบเคียงทำให้เราอ่านออกบอกตัวเองได้ ต่อมก็คือให้เราเหมือนียกว่าเจริญสติรูหนาของรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเพราะว่าการเจริญสติสติเจริญว้องไวก็หมายถึงกำลังของสมัม ญ, ญัสสมาธิมันก็จะดีตามต่อไปสถิติปทานมันก็จะเป็น มัคคุเทศิที่นําจิตใจของเราตรงสู่เป้าหมายนั่นก็คือสภาวะของใกล้กับสภาวะที่สุดแห่งกองทุกหรือว่าท้ายสุดก็คือสามารถที่จะพ้นทุก์อันนี้ก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติก็จะมีเรื่ตื่นจนกระทั่งหลับตื่นขึ้นมาเราล้างหน้าแปรงฟันหรือว่าเดินไปเดินมา พับผ้าพับผ่อนอันนี้ก็เป็นการฝึกสติได้แนวนอกรูปแบบจะทําอะไรเคลื่อนไหวใจอยู่ไหนกายก็อยู่ที่นั่นกายอยู่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเราเอากายเป็นวัดเอาจิตใจเป็นพระพระอยู่ที่วัดอยู่ตรงไหนก็ได้ทุกในเลือกสถานที่เพราะนั้นอยู่ที่ไหนก็ดับถูกได้ทั้งหมดนั่นแหละเราก็จึงหันกลับมา รู้เนืรู้ตัวกายเคลื่อนไหวใจรู้นกายอยู่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นเคลื่อนไหวที่ใดก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้รู้ลมหายใจตากระพริบได้ทั้งหมดการนอนนี่ก็รู้สึกตัวได้ดีนทําสีหาใบหญ้าลงไปแล้วก็ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันไม่ได้นอนเรื่มน่าของเพลินไม่ได้นอนเรื่มน่ากกของ มีวัลธรรมที่พาธรทำอันนี้เป็นองค์แห่งความเพียนถ้าเดินอยู่นั่งยกมืออยู่อย่างง่วงอยู่ยังพูดจําคุยอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ความเพี่ยนความเป็นจริงก็คือเปนน็าของจิตที่รู้รูปตามนามธรรมแล้วไม่มีนิวรธรรมเกิดขึ้นมาครอบงาจิตใจตรงนี้เป็ น, นาของความเพี่ยนที่เพียนแล้วเพี่ยนถุกเกิดการตื่นตัวขึ้นมาตื่นทุกข์ ปกติมันเคยตื่นบนกิเลสตื่นโนกตกใจตื่นกลัวตื่นที่เป็นอำมาจของและถูกกรรมคุณมากมายแล้วเกินแต่เวลาเราปฏิบัติเห็นทุกข์แล้วมันตื่นทุกข์เห็นความง่วงเห็นมิวราน์เราทำมันก็ตื่นออกมาจากนิวรรธน์เห็นการคิดการพุงกันแต่มันตื่นออกมาจากความคิดมันตื่นะชั้นที่สอง มันไม่ไดตื่นจากการนอนหลับอย่างเดียวคนที่เตื่นจากนอนหลับบางทียังละเมอในฝันกลางวันอยู่แต่เราฝึกสติจะเตื่นออกมาจากการฝันกลางวันการละเมอการคิดฟุ้งปุงแต่งต่างๆตัวนี้มันก็จึงเป็นการฝึกสติที่เราจะต้องเห็นทา่ทานต่างๆที่กําลังปรากฏขณะต่อขกระไมเห็นการเกิดดับเนเราก็พยายาม ที่จะเลือกเป็นสถานที่ที่เลือกเป็นสถานที่เช่นอยู่วัดเราก็เลือกโ น, โน่โนควรไม้นโน่นเรือนว่างจะเป็นสถานที่ต่างๆสนะมายัยพุทธกาลจะโน่นลอมฟางโน่นทาโน่นซอกเขาโนนลลกเขาต่างๆเป็นที่วิเวกไปนั่งตั้งใจให้ตรงทารงสติให้มัน่น ก็รูความรู้สึกตัวที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาณาปา น, า น, า น, านสตินะแล้วก็ฝึกตัวใครตัวเราเราก็จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่เป็นกําไรชีวิตเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นคําสอนคําชี้คำนำที่องค์สมเด็จสัมมาฯองเจ้าได้อบัติขึ้นมาในโลกนี้ฝากล่องฝากลอยเอาไว้เป็นวิชา กรรมฐานเป็นวิชาที่ทําให้เกิดที่ปัจจายานเป็นวิชาพุทธศาสนาที่มันยังมีกลิ่นไออยู่แล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมามหายานมีความสาเร็จนะมีความสําเร็จในการที่จะเผยแผ่โดยที่ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่หายหรือว่าสาบสูญไปไปเจริญทางลาดักทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย มีการช่วยเหลือเพื่อแผ่เพื่อเผื่อทำบุญกิจกรรมต่างๆพระสงฆ์ต้องพึ่งตงเองไม่มีการบินทบาทจึงมีกิจการงานต่างๆเกิดขึ้นมามา ก, กมายครบวงจรเ<ม>ทระวาตนี่ชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ว่าสาบสูญไป700เจดร้อยถึงพันห้ารอปีมีการเผาตั้งแต่มหาลยนารันตาหลังจากนั้น ผสมต้องหลบหลดซ่อนๆ่อนนาที่รู้จริงก็อยู่ยากเพราะว่าแสดงตัวเกิดความเอือเฟื้อมันก็มีภาพวินัยต่างๆมาตีกรอบไวมากมายแล้วเกินศีล227ก็22ทำให้ะสมนี่ทาอะไรยากๆยุ่งๆอยู่อันนี้เราก็มีความเข้าใจแต่ตอนหลังก็มีการประยุกต์ใช้ทั้งาหายาและเทโลวัตมาผสมด้วยกัน ก็จะมีทั้งความดีความงามหรือว่านะความฉลาดต่างๆที่จะอยู่ฉลาดที่จะทําบุญจนถึงเข้าถึงสภาวะของความจรงิงก็คือทําบุญทําดีทั้งหลายแต่ว่าไม่มีตัวตนเข้าไปรับรู้หรือว่าเข้าไปยึดถือเอาเป็นตัวเราของเราเป็นผลงานของเราอันนี้นะก็จึงเป็นจุดยอด ของยุค ป, ปัจจุบันที่เรามีการประสมผสานต่างๆมากมายแต่ว่าก็จะต้องทําด้วยความฉลาดแล้วก็มีสติสีสมาธิปัญญาจริงๆลงไปการงานต่างๆก็จะเป็นมงคลไม่เป็นอัิมงคลเพราะว่าในแงแง่งคิดมุมมองต่างๆของโลกใบนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้มีนินทามีสะะริเสริญมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีศพมีทุก แต่ว่าผู้รู้นะผู้ฉลาดก็จะไม่ได้นินทากันหรอกจะใช้นิทานแทนนิทานกับนินทานิทานก็คือเป็นล่าหน้าของกุศลเป็นความฉลาดนินทานนี่เป็นล่าหน้าของอกุศลเป็นล่าหณะของผู้หลงละคาสติเนี่ยก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแต่ว่านิทานนี่เปนการสร้างสรรค์ยกอ้างอุปมาอุปไมตรต่างๆมีการเปรียบเทียบต่างๆอันนี้เราก็ฟังกันออกนะก็เปเรื่องที่ เราทุกคนก็จะต้องใช้ลักษณะของชีวิตรู้ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางหนีช้างสิบฟานหนีคนบ้าสิบยด์ดมันก็จะเป็นคุณธรรมต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ใช้ลักษณะของธรรมะที่เกิดจากปัญญายานหรือว่าวิปัสสนาญาณต่อไปบางทีการทาวัดสดมนันก็ใช้ไม่ได้กับคนบางคนในขณะที่จิตสุดท้ายใจจะขาดใช้ไม่ได้จริงๆ เคยเจออยู่คนนึงซึ่งแม่เขาก็นั่งอยู่นนในแม่สากรนะลูกสาวนี่เป็นเภสัชกรเป็นยาโถจากั้วสซีแชมพูทำงานจนทั้งจุดหนึ่งเกิดเป็นมะเร็งทำดีจริงๆคนคนนี้ดียังไงเช่นบัดมายเห็นก็ไม่พุ่มเปือพุ่มเฟือยนะไปที่บ้านเขาบ้านหลังเก่าแทนที่จะลื้อทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ กับต่อเติมนะชั้นล่างจนหน้าอยู่แต่ถ้าจะสวยไม่ก็ไม่สวยไม่ก็บ้านรุ่นใหม่ยุคใหม่เป็นคนประหยัดเงินมีเท่าไหร่ก็ให้ลูกให้หลานหรือว่าให้คําว่าลูกหลานไม่ถึงว่าพี่ พ, พี่น้องน้องอ่ะนมีลกูกมีหลานก็เอาเงินเดือนแบ่งให้เลี้ยงแม่อย่างดีให้เงินแม่หลายพันต่อเดือนแล้วก็ เป็นคนที่ฝึกหัดปฏิบัติรรมพอสมควรทีเดียวทีนี้ตอนช่วงที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็คือชนิดลายชนิดปีเดียวล่วงเลยจากหน้าใบใบขาวขาวแวาตาคมคมคิ้วคมคมสีหน้าก็ดำมองคิ้วก็ย่นขมวดกันหัวคิ้วมีครั้งหนึ่งอาจารย์น้อใจไปเยี่ยมแล้วก็มาบอก คุ้มครั่งคุ้มคลั่งผมรัตนาได้ยินได้ฟังนะก็ควรไปเยี่ยมไปดูแลกันหน่อยในช่วงนั้นข้าวันษาก็เก็บดอกบัวในสะไปตั้งบัวตูมบัวบานเก็บไปหอบใหญ่ก็กล่าวว่าจะไปเยี่ยมคนไข้เห็นดอกบัวเป็นนิมิตหมายดอกไม้ในศาสนาไปถึงแป๊บก็เอาแัาน ซีดสดมนต์เตรียมไว้ด้วยเห็นคนไข้มีแล้วษณะกระวนกระวายใจพอนั่งก็เปลี่ยนเป็นลุกพอลูกก็ชี้อยากจะดื่มน้ำหวานพอน้ำหวานมาให้ก็บอกมือล้วบปลักแก้วออกไปบางทีก็ลุกอยากเข้าออน้ําพอคนเฝ้าไข้าพาลงจากเตียงเดินไปเที่ยวน้ําครึ่งทางก็หยุดแล้วก็เดินกลับมาที่เตียงเป็นอย่างเนี้ย กุนลูก น, นัง่งกุนก็ไว้ใจอาตมาก็เลยบอกว่าออคุณกุ้งอาตมามาเยี่ยมเนาะเดี๋ยวฟังเสียงสวดมนต์กันดีกว่าแต่ว่าเอาเทปมาด้วยเดี๋ยวเปิดฟังกันเนาะก็เริ่มต้นเลยอาลังสัมมาสัมพุโตภรควาพระผู้มีพระภากเจ้าคุณกุ้งบอกมือหยุดหยุดหยุดหยุ ด, ยดไม่เอา ต่อมาก็คืออาตมาก็เห็นว่าเออไม่เอาก็เอาดอกบัวก็แล้วกันทังนั้นนี่อาตมาก็ไม่มีอะไรไมาแย่งนะคนใกล้ดอกบัวเก็บมาจากในสระสุกโตโรตัศเนี่ยอ๋อเนี่ยดอกตูงก็มีดอกบานก็มีนะก็หยิบดอกตูง ม, มาดอกนึ่งแล้วก็โยกขึ้นนะอคุณกุ้งให้คุณกุ้งนะมือก็ก็แบไม่ได้มันก็นิ้วเก่งๆงอๆ คือมือมันหมิกก็ามาหากันแลนวมันแบ่ไปนะพระมาก็เลยเอาก้านบัวน่ะเสียบลงไปในร่องนิ้วนให้ดอกบัวค้าง ก, ก็เอาดอกบัวเนี่ยยกขึ้นมาแล้วก็กระทบเคาะกับสีสาของตัวเองอ่นวัดก็สังเกตแล้วเขก็มีสติะระลึกได้พระเอาดอกบัวมาฝ่าเป็นความดีความงามก็น้อมก็บแม่แลวเคาะที่หัวของตัวเองนะ ก็เลยทักเว่าคนกุ้งเคยปลุกสติมาถ้าเป็นคนที่มีสตินะไหนลองยิ้มให้ดูหน่อยสิถ้มีสตินะก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาแล้วก็ยิ้มแห้งๆผื่นใจที่จะยิ้มเมื่อเห็นบรรยากาศขนาดนั้ น, น, นแม่ก็ยิ้มหมอที่มาด้วยก็ยิ้มเพื่อนๆที่ถูกห้ามไม่ให้มาเข้าเยี่ยมไปเห็นพระมาก็ช่วี่ยอากาศ้ามาเข้าเยี่ยมเลยก็ยิ้มกันคนเข้าใครก็ยิ้ม บรรยากาศ ก, ก็คือสดชื่นทั้งห้องขนาดนั้นกุ้งก็ถามพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งทงั้งที่ไม่ได้พูดกันเลยพูดมาประโยคนะอาจารย์ไม่เห็นชวนฝึกสติเลยรละโอ้อยางนี้เข้าทางได้ได้ได้ได้ก็เลยเอากีอี้มาแล้วก็นั่งสร้างจังหวะกันคนไข้ก็นั่งสร้างจังหวะธรรมะก็นั่งสร้างจังหวะ ยาที่น้องอะแม่ก็นั่งสร้างใช่ว่ะหมอก็พลอยนั่งสร้างจช่ป่าทำไมเป็นบรรยากาศของการฝึกสติในห้องโรงพยาบาลหลังจากนั้นวันนั้นคุณกุ้งซึ่งยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกลับบ้านหรือจะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตัดสินใจทันทีว่าขอกลับบ้านขอกลับไปตายที่บ้านหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นมาก็ไปเยี่ยม ก็เห็นนั่งสร้างจังหวะเป็นการต้อนรับพะระนพระอาจารย์มาเยี่ ย, ยมมานั่งสร้างจังหวะยิ้มสดใสแล้ววันลงขึ้นวันลงขึ้นก็ขาดใจตายก่อนขาดใจตายได้บอกครับแม่ว่าคนที่มาร้องไห้คนที่มาแล้วก็ทําให้จิตเศร้าจิตหมองเนี่ยอย่าให้เข้าเยี่ยมนะแม่นะแล้วก็ท้ายสุดก็คือแม่ ข อ, อกอดแม่ครั้งสุดท้ายนะแม่นะเนี่ยแม่สายกรก็กำลังอยู่ที่นั่นก็ได้กอดเดีก็ังขาดใจตายขาดปักอย่างแม่ก็ปฏิบัติตามจรนญสติเนละก็ดูลูกเฉยๆไม่ได้เศร้าโศกอะไรลูกก็สดใสขณะทีนะ่ลมหายใจจะหมดนะอันนี้มันเป็นภาพของผู้ที่ผู้สตินะที่ใช้สติ กับการตายเนี่ยมาใช้การคิดการปรุงการแต่งอะไรมากมายก็เราสัมผัสตรงๆลงไปกับมาจุราชกับมาจุมานที่กำลังปรากฏแบบไม่ยี่ละไม่สะทกสะทานไม่สะดุ้งไม่วัดภวะเน่ยะอันนั้นก็จึงเป็นสิ่งที่อาจนำาเสนอาชาวนี้ว่าเราก็เลือกที่จะละเชื่อทำดีชำระจิตการฝึกสติมีมีอันนี้งมีผลสูงท้ายสุดเนี่ เราจะไม่เอาชีวิตไปฝากไปแวนไม่ว่าสิ่งใดบรดิ波特ความกังวลต่างๆถึงทรัพย์ถึงลูกถึงหลานถึงงานถึงการศึกษาถึงหมู่คณะนะถึงปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับความรู้สึกตัวที่เมื่อเกิดขึ้นมามันทำให้จริงของเรามันเกิดการปล่อยการวางเกิดความว่างเงินน้ำก็นั่นแหละอิสระภาพ ก็เล่าสู่กันฟังในท้ายสุดนี้ก็ขอให้การไปฏิบทตธรมของเราทาั้งหลายนั้นก็จมเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์สมควรแก่การปฏิดดัติโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนน้นเติ